กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตงแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความเคารพมายังหลวงพอ่อกลมปรจาปรจานันทร์สินปราจามธนชัยพันเตเพื่อนสาธยมิกเจเรญพรมายังแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็นั่งกันตามปกติ เนาะด้วยความรู้สึกตัว <c oughs> วันนี้ก็เป็นตรงกับวันอังคารที่11พฤศจิกายนาพุทธศักราช2557 <c oughs> <c oughs> ก็เป็นวันที่4เนาะสำหรับกลุ่มปฏิบัติกรรมฐานเข้ม สำหรับผู้ที่อยู่วัดนะเราก็มาทํากิจก็นะคือไหวพระสดมนตนะ์เป็นกิจวัตรประจําวันนะที่เราทํากันการไหวพระสดมนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการที่เราได้น้อมระลึกถึงนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ซึ่งก็เป็นการเจริญพุทธานุสติ ธมานุสติสังคานุสตินะเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราพิจารณานะในคำสวดหรือว่าสิ่งที่เราได้สาธยายไปเรามีความรู้สึกตัวนะกับสิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้านะด้วยความรู้สึกตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราสามารถจะทําได้ทุกเวลานาทีนาทีรู้สึกตัวเราไม่ได้หวังว่าในนาทีข้างหน้าเราจะไปทําอะไรแต่เรารู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าขณะนี้ขณะที่เราไหวพระสวดมนต์ขณะที่เราฟังธรรม ขณะที่เรายกไม้ยกมืออันนี้ก็คือชีวิตอยู่ขณะเดียวนะเป็นขณะแห่งความรู้สึกตัวการมาเข้ากรรมฐานเข้มนะก็มีจุดประสงคนะ์ที่จะให้เราได้มีเวลาได้มีโอกาสนะที่จะมาเจริญสตินะอย่างต่อเนื่อง เพรจุดอ่อ น, นของการเจริญสติของผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติก็คือการที่ทําไม่ต่อเนื่องเรารู้วิธีการเราเคยปฏิบัติแต่ว่าเราทําไม่ต่อเนื่อง <c oughs> ทําไมจึงทําไม่ต่อเนื่องอาจจะเป็นไปได้ว่าทําแล้วมันมี <c oughs> สิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นความเบือ่อ ความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาหานอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราไม่ต่อเนื่องและเราประมาทโ <c oughs> ดยเฉพาะคนที่รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนเก่าเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้ว <c oughs> เป็นคนที่รู้วิธีการมาแล้วตรงนี้ <c oughs> ตัวกับผมฤตามายเองก็เคยประสบมาแล้วเราประมาทเกินไปเราคิดว่าเรื่องนี้ง่ายๆนะเป็นเรื่องที่ทำสบายๆนะทำบ้างทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่วัดนี่บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เราไม่มีสิ่งที่มากระทบนะมากนัก ก็รู้สึกสบายๆตรงนี้เนี่ยทาให้เราประมาทได้เพราะฉะนั้นการมาอยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งแวดล้อมช่วยอำนวยาวให้เรามีความสบายพอสมควรแต่อย่าเพลิ น, นหรืออย่าหลงไปกับความสบายความสบายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย หลงเพลินได้ง่ายแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมาย ว, ามว่าโอ้เราจะเคร่งเครียดเคร่งึมกรรมฐานเข้มไม่ใช่เคร่งเครียดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ผ่อนปลนจนเกินไป น, นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตพิจารณาให้มันพอเหมาะพอดีร่างกายเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาบอกถ้ามันหนักหนักมันตึงตึงมันเครียดเครียด นะเออแล้วก็ผ่อนคลายซะนะผ่อนคลายให้รู้สึกสบายขึ น, นิดนึงนะถ้าสบายนักนะเช่นเดินชงคมสบายเบาเพลินนะกระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจอ่านั่นละ่ะนะมันติดมันหลงไปในความเบาอีกแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องให้ดูให้มันพอเหมาะพอดีนะตรงนี้เราต้องสังเกตนะใช้ความแยบคลายสักนิดนึง สำหรับการเจริญสติเพราะนั้นความสบายเกินไปก็อาจจะทำให้เราเพลินหรือเครียดเกินไปก็ทำให้เราหนักนะเรียกว่าทั้งเครียดเกินไปทั้งเพลินเกินไปก็อาจจะทำให้เราไม่มีความต่อเนื่องนะหรือว่าไม่เป็นปกตินะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องสังเกตดูให้ดี <c oughs> ในการเจริญสตนะิแล้วก็สองสาวันที่ผ่านมานะท่านอาจารย์ทรงศินก็พยายามที่จะทำกิจกรรมสภาพแวดล้อมนะที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่กับเนื้อกับตัวให้เราได้สัมผัสนะกับความยากลำบากนะความตึงเครียดนะแล้วเราปรับใจได้ยังไงในสถานการณ์อย่างนั้น นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะได้มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะการเจริญสติเนี่ยสำคัญก็คือความต่อเนื่องนะแล้วก็การแยบคายในการที่จะพิจารณานะกายและใจของเราในการยกมือเนี่ย <c oughs> ถ้าเรายกมือแล้วเราไม่รู้ตัวจริงๆหมายถึงว่าเรายกไปแล้วก็คิดไป อันนั้นนะเรียกว่าไม่เพียนนะคือมันยกไปแล้วก็คิดไปมันไม่รู้สึกตัวบางทีคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นแต่ถ้าเรายกไปแล้วมันรู้สึกตัวดีเนี่ยมันคิดปุ๊บเรารู้ปับ๊บกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเออเนี่ยเราเพียนเนี่ยเรียกว่าได้คะแนนละแต่ถ้าเรายกไปแล้วเราก็คิดไป <c oughs> ลักษณะอย่างนี้ก็คือหลงไปละ ได้แต่ยกได้แต่มีกริยาอาการของการยกนะแต่ว่าไม่รู้สึกตัวนะเพราะนั้นตรงนี้ <c oughs> ต้องสังเกตให้ดีถ้ายกแล้วมันไม่รู้สึกตัวให้หยุดก่อนมันเริ่มต้นใหม่นะ <c oughs> บางทีทาไปนานๆมันอัตโนมัตินะก็คือยกไปอย่างนั้นไงนะยกพลอยมันรู้ว่ายกแต่ไม่รู้สึกตัวคิดนั่นคิดนี่คิดนนคิดไปสารพัด นะอันนี้ก็คือไม่รู้สึกตัวเรียกว่าขาดช่วงนะขาดความต่อเนื่องทีนี้ <c oughs> เมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายบ่อยๆแตะตรงนี้แหละนะมันจะเป็นการพัฒนานะหรือว่าเป็นการปลุกความรู้สึกตัวนให้มันมีความฉับบวอขึ้นให้มันแหลมคมขึ้นในการที่เราจะเห็น <c oughs> สิ่งที่เป็นนามธรรมความปวดความเมื่อยความร้อน <c oughs> ความหนาวนะหรือความพอใจไม่พอใจมาวันแรกเรามาเจอฝนโอ้โหหนักเลยกางเต็นนอนจะนอนไหวไหมเนี่ย <c oughs> นะหนาวก็หนาวฝนก็ตกนะบางคนก็คิดไปต่างๆนาน า, นาวิตกกังวลสังเกตใจเรมไหม นะตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะอาศัยความรู้สึกตัวที่เกิดจากการฝึกการทำอย่างต่อเนื่องนะมันจะเข้าไปเห็นนะสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะที่สำคัญก็คือความคิดนะความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ย <c oughs> เป็นตัวสังขารนะเป็นตัวต้นเหตุที่จะทาให้เรา พอใจไม่พอใจนะโกรธขัดใจหรือว่าไม่หรือว่าสบายนะเนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันตัวความคิดเนี่ยนะเราก็จะหลงไปความคิดปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าเป็นนักเล่นกลเป็นนักมายากลนะที่จะหลอกล่อนะทำให้เราดีใจเสียใจ ทำให้เราโลภเราโกรธเราหลงนะเพราะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้สึกตัวนะซึ่งเป็นตาเป็นตาใจนะที่แหลมคมนะที่จะเห็นเท่าทันไม่นักมายากล ค, คนนี้มาหลอกล่อไดนะ้ก็เรียกว่าเป็นกลหลวงนะที่จะทาให้เราดีใจเสียใจทำให้เราสุขทำให้เราทุกขนะ์สิ่งนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สติไม่เรียกว่าไม่แยบคายจริงๆมันจะไม่ทันไม่ทันนะมันไม่เห็นทันนะมันก็จะตกไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆาคิดแล้วก็ปรุงแต่งไปในอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีพอใจไม่พอใจในสภาพแวดล้อมที่แปลเปลี่ยนไปวันแรกมาฝนตกตกหนักมากวันที่สองก็ยังตกอีกนะ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยนะเออบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแต่บางคนบอกโอ้ยสบายดีนะได้มานอนอยู่ท่ามกลางสายฝนนะเคยได้ยินหลวงพ่อคำเขียนเล่าให้ฟังท่านไปทางเชียงใหม่นะไป <c oughs> ไปอยู่ที่วัดอุโมงหรือยังไงเนี่ยนะท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะไป <c oughs> ปักกดนอนนี่แหละนะแล้วฝนตกลงมาน้าก็ไหล ท่านก็เออดีนะวันนี้เป็นกบสักวันนึ่งนอนอยู่มีน้ําไหลเย็นสบายก็คือสามารถที่จะปรับตัวปรับใจได้กับสถานการณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองในการที่จะปรับใจของเรานะให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่แปลเปลี่ยนไปอนะันี้เป็นสิ่งหนึ่งจากฝนตก ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นนะนี่ก็แปลเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปใจเราเป็นยังไงนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตนะที่เราจะสามารถที่จะ <c oughs> ดูแลนะกายใจของเราให้มันเปันพอเหมาะพอดี <c oughs> เป็นเป็นความเป็นปกตินะในทุกสถานการณ์เพราะนั้นการจเจริญสติเนี่ย จากรูปแบบเนี่ยจากในรูปแบบเนี่ยมันก็จะขยายผลนะไปสู่การดำเนินชีวิตในกิจวัตรประจำวันนะตั้งแต่ตื่นยันหลับเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะที่บอกว่าหลวงพ่อเทียนใช้คำว่าไม่พักไม่เพียนก็คือทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นยันหลับนะตื่นมาก็รู้สึกตัว ล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันเข้าห้องน้ําขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวนุ่งห่มเสื้อผ้านะด้วยความรู้สึกตัวเดินมาทําวัดนะด้วยความรู้สึกตัวนะตรงนี้เราสามารถที่จะเจริญได้สามารถที่จะทําได้นะนอกจากนอกนอกจากในรูปแบบนะเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราทำในรูปแบบแล้วเนี่ย <c oughs> จุดอ่อนที่พบอันหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีเนี่ย <c oughs> การไปพูดไปคุยอันนี้สำคัญนะคนที่ <c oughs> ไปพูดไปคุยเนี่ยเป็นรูรั่วนะทำให้การเจริญสติเนี่ยขาดช่วงได้เพระาะฉะนั้น <c oughs> มาที่นี่คอร์ดเข้มเนี่ย นะเราก็พยายามที่จะให้พวกเรางดหรือปิดวาจานะเรียกว่าบำเพ็ญเนกข ม, มะบาร ม, มีเหมือนพระเตมีใบนะก็คือไม่พูดเงียบเลยคนอยู่กันแปดสิบคนร้อยคนเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเงียบนะซึ่งตรงเนี้มันเป็นลักษณะของการที่เราให้เวลากับตัวเราเองให้โอกาสกับตัวเราเอง นะที่เราได้มาจเจริญสติร่วมกันอาศัยบรรยากาศของวัดป่าสุกโตที่สงบสงัดอาศัยบรรยากาศของเพื่อนกลยนามิตรนะที่มีความตั้ง อ, อกตั้งใจในการที่จะมาเรียนรู้นะกายใจของตัวเราของแต่ละคน <c oughs> บรรยากาศแบบนี้ไม่มีง่ายๆนะก่อนหน้าที่พวกเราจะมาเนี่ย ที่วัดป่าสุก โ, โตนี่เงียบเหงาทีเดียวแล้วมีพระไม่กี่รูปมีโยมไม่กี่คนนะก็เรียกว่าเงีบเหงาพอสมควรพอมาเนี้ยโอ้ชีวิตชีวามันตื่นขึ้นเลยนะวัดป่าสุกโตนะก็คือการที่มีคนมาเจริญสตินะมาใช้สถานที่มาร่วมกัน <c oughs> สร้างสรร น, นะสตินะที่มีอยู่ในตัวของเรานั้นให้ตื่นขึ้นมานะให้สามารถที่จะ ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้จากการฝึกในรูปแบบขยายออกไปในนอกรูปแบบแล้วก็กลมกลืนไปกับชีวิตประจวบประจำวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้ในะในชีวิตประจําวันได้นะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการที่เราได้มาใช้เวลาประมาณ7วันหรือ9วันนะก็ถือว่าเกือบครึ่งทางแล้ว ันะวันวันที่สี่หลืออีก้าวันนะก็คิดว่าตรงนี้นะคงจะได้ประโยชน์พอสมควรแล้วก็ <c oughs> ในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมานะเราก็คงได้มองเห็นนะว่าความคิดปรุงแต่งก็ดีนะความหลงก็ไปในความคิดก็ดีเรารู้ทันมันไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะ แต่ขอให้รู้ทันเหมือนกันละกันนะมันเกิดอะไรขึ้นมารู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านอารมณ์อะไรเกิดขึ้ น, นมาผ่านอย่างเดียวผ่านด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปจมอย่าไปตกอย่าไปพักอยู่ตรงไหนแต่บางทีทําไปเพลินตัวเบาสบายนะอยากให้มันอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้นะ่ะมันจะหลงไปละนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องรู้ให้เท่าทัน นะกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะกายปกติใจปกตนะิกายวาจาสงบใจวาจาสงบสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนิ่งนะสงบแบบตื่นรู้นะภาษาบาลีเรียกว่าสันติสันติสุขนะเป็นเป็นความสงบนะสงบจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนะที่เรารู้เท่าทัน ตรงนี้ไม่ได้ไหมายกาว่าทำไปแล้วมันจะไม่คิดอะไรเลยมันก็มีอยู่แต่เรารู้ทันมันยิ่งคิดยิ่งรู้นะหลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้นะะฉะนั้นคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นนะตรงนี้เป็นสิ่งําคันความต่อเนื่องเนี่ยเราจะสังเกตได้ตรงนี้ไม่ว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนหรือํากิจวัตรอะไรต่างๆก็ตามนะให้เรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ บ่อยๆเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นเรื่อยๆนะมันจะเกิดความชำนาญในการที่เราจะรู้เท่าทันความคิดปรงแต่งเมื่อรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันเบื่อมันเบื่อเองว่าอะไรนักหนานะเราไปคิดอะไรนักหนาเราไปยึดถืออะไรนักหนามันจะเกิดการปล่อยการวางโดยโดยธรรมชาติของมันเอง การปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไปคิดปล่อยวางแต่มันเกิดจากการที่เรามีสติเห็นกายเห็นใจบ่อยๆกายเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันหิวมันกระหายเดี๋ยวปวดอุจจาระปัสสาว ะ, ะมันเป็นก้อนทุกข์แต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เคยได้มาสังเกต เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราบางทีก็นะเกิดความยึดถือเกิดความ <c oughs> ชอบพอนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะบางทีก็พยายามปรุงแต่งต่างๆนานานะหน้าตาไม่สไม่สวยก็ผัดหน้าพัดทาแป้งสังหน่อยนะอาบน้ำชำระร่างกายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ทุกข์นะ ในส่วนของใจล่ะก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละหที่มันแปรเปลี่ยนแปรปลวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะแบงคับบัญชามันได้ตัวสติสัมปชัญญะนี่เองที่เป็นตัวที่ทำให้เราเรียนรู้เหล่านี้ทั้งกายทั้งใจที่มันเป็นก้อนทุกข์แล้วมันก็ไม่อยู่คงที่แปรปลวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นะตรงนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไปยึดไปถือไม่ได้เลยมีแต่การปล่อยการวางเท่านั้นเองการปล่อยการวางก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวนั่นเองไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปนึกคิดว่าจะปล่อยจะวางนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้การเจริญสติของเรา น, นั้นมีความต่อเนื่องเป็นการกระทาที่ไม่พักไม่เพียน นะไม่พักก็คือว่าอะไม่จะไม่ใช่ว่าจะต้องถึงเวลาอ้าวเดี๋ยวเป้งอหมดเวลาหมดยกนะบางทีบางคนไปคิดนะพอเสียงะระฆังมง้งสบายนะหยุดพักนะพออีกทีพอมาเริ่มเถอะเริ่มต้นใหม่ก็เอาเอาจริงเอาจังนะเดินจงกรมเอาจริงเอาจังแต่พอะระฆังหมดยกหย่อนเลยนะเพราฉะนั้น <c oughs> การไม่พักไม่เพลียนก็คือเราทำไปเรื่อยๆในรูปแบบนอกรูปแบบในกิจวัตรประจำวันนะพยายามที่จะรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆบางทีเผลอไปบ้างไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะเผลอไปแล้วแล้วไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ให้เป็นชีวิตสดสดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆหลงแล้วกลับมารู้ใหม่เอากายเนี่ยเป็นที่ตั้ง มารู้สึกตัวที่กายเป็นที่ตั้งกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื่อตรงมากไม่โกหกเหมือนกับความคิดมันปวดมันก็บอกปวดมันร้อนมันก็บอกร้อนมันหนาวมันก็บอกหนาวมันหิวมันก็บอกหิวตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเป็นความจริงที่มันแสดงที่มันปรากฏนะแต่ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหลงกลได้ง่ายๆเหมือนกัน เพราะนั้นตรงนี้ต้องรู้เท่าทันก้นลวงนะของความคิดปรุงแต่งให้ได้บ่อยๆนะตาในก็คือตาใจคือความรู้สึกตัวนั่นเองจะเป็นตัวที่เราจะเห็นก้นะกลวงของความคิดปรุงแต่งที่มันมาในรูปแบบต่างๆบางทีก็มาแบบหยาบๆเลยนะความคิดที่ไม่เคยดีเลยนิสัยที่ไม่ดีเก่าๆของเราตั้งแต่ในอดีตมันแสดงมันฉายมันแสดงออกมา ให้รู้มันหรือบางทีก็เป็นความคิดดีๆอยากจะทํานั่นทํานี่อยากจะทํทาทประโยชน์เดี๋ยวกลับไปจะต้องไปทํำนู่นทนํานี่อ่า น, นั้นก็หลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะให้มีความแยบคายสักนิดหนึ่งในการเจริญสติเพราะฉะนั้นการมาเข้าคอร์สเข้มนะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาเป็นโอกาสพิเศษนะสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ ที่จะได้ทำกิจกรรมการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทั้งในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ในกิจวัตรประจำวันนะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะเพื่อที่จะได้สัมผัสนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่มุ่งหวังอะไรเลยอย่าไปหวังอะไรเลยมานี่ตั้งใจอย่าหวังอะไรถ้าหวังมากจะทุกข์มาก ทำเล่นๆทำเรื่อยๆทำไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรหรือความพะเหมาะพอดีจากการประพฤติปฏิบัตินะเป็นธรรมะสมควรแก่การปฏิบัตินะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้มันเป็นไปเองเพียงแต่เราสร้างเหตุปัจจัยก็คือทำความรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้จะเป็นเหตุ ผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นเรื่องของอความพเหมาะพอดีของมันนะทำไปเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นได้สัมผัสนะกับความเป็นปกตินะของกายของใจนะความสงบที่เป็นสันตินะที่เกิดขึ้นในใจที่มันมีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่มันไม่สงบเพราะว่าเราหลง หลงไปในความคิดพุ่งแต่งหลงไปในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่รู้เท่าทันมันนะซึ่งมันก็เป็นความเคยชินเก่าๆเพราะนั้นคนที่ <c oughs> เก่าๆก็ดีนะมันจะได้ขุดมันจะได้ชำระล้างไอ้ความเคยชินเก่าๆนะที่เป็นยางเหนียวอยู่เนี้ยให้มันออกไปนะตรงเนี้ยมันก็จะทาให้เราได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติความ สงบสุขนะที่เป็นสันติสุขที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเรานะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับพวกเราได้พิจารณาแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติ ด, ดูนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้เวลานี้อย่าจำเลยนะทิ้งให้หมดเลยนะไม่ต้องไปจำแล้วไม่ต้องไปเทียบเคียงว่ า, ม, างง ม, มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทิ้งให้หมดเลยเอาเฉพาะหน้าสิ่งที่เรา เห็นเฉพาะหน้านั่นแหละคือความจริงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะ อ, อ, อยู่กับเนื้อกับตัวของเรานานี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อาลันท้ายที่สุดนี้นก็ขออ้างยิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสีสัมปชัญญะ นะที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏทั้งภายในตัวเราเองและก็ภายนอกนะที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจในบังคับบัญชาของใครและประสงค์ก็คือผู้ปฏิบัตินะหรือการปฏิบัติการเจริญสตนะิที่เราได้ประทับกันอยูนะ่ในทุกเวลานาที และได้ความเพียรความพยายามนะความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตินะจงเป็นพลวาปัจจัยหนุนนํำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสันติสุขที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเราก็คือความเป็นปกติสุขของใจนั่นเองเจริญพร